ตั้งแต่เนื้อหมูราคากิโลก ร, รัมละ170บาทป้าแป๊ดก็ไม่ค่อยอยากจะทำอาหารชนิดที่ต้องใช้เนื้อหมูเป็นเครื่องปรุงแม้ปา้าแกจะขายจานละ35บาทก็ตามหลังจากเนื้อหมูขยับเป็นกิโลก ร, รัมละ200บาทแกก็ติดป้ายหน้าร้านแจ้งกับลูกค้าในทันทีว่าวันนี้ไม่มีเนื้อหมูร้านอาหารตามสั่งของป้าแป๊ด อยู่มุมสุดของซอยตันแห่งหนึ่งกว่าจะเดินเข้าไปรับประทานได้นั้นต้องเป็นคนที่ติดใจในรสชาติฝีมือการปรุงอาหารของแกจริงๆร้านแกขายดีมากลูกค้าต้องรอนานเพราะป้าแกปรุงอย่างไม่รีบร้อนแต่ลูกค้าก็พร้อมที่จะรอแกรู้เรื่องนี้จึงมักจะมีอาหารว่างขนมนมเนยต่างๆมาวางขายซึ่งก็ขายดีมากอีกเช่นกัน ยุทธเองก็ไปร้านป้าแป๊ดบ่อยเพราะทั้งห้องเช่าและที่ทํางานไม่ไกลจากร้านมากนักเรียกว่าสัปดาห์หนึ่งต้องได้กินอย่างน้อยหนึ่งวันยุทธติดใจกระเพาหมูไข่ดาวกับหมูย่างราดข้าวของแกอย่างมากอาหารประเภทที่ต้องใช้เนื้อหมูเป็นส่วนประกอบก็เป็นที่นิยมของร้านภักหลังมานี้ยุทธตกงานจึงไม่ค่อยได้ไปร้านป้าแป๊ดบ่อยเหมือนอย่างเคยครั้งล่าสุดที่ยุทธไปสังเกตเห็นว่า ป้าแกเก็บถังแก๊สไว้นอกบ้านอีกทั้งประตูหลังก็มักจะปิดไว้เฉยๆไม่ได้ใส่กุญแจล็อกไว้ยุดลงมือสืบความเป็นไปของร้านแกแวะเวียนมาดูลาดเลาหลายครั้งต่อหลายครั้งหลังร้านปิดสองทุ่มเด็กเสิร์ฟสามคนในบ้านกลับกันหมดป้าแป๊ดก็อาบน้ำนั่งดูละครทีวีไปเรื่อยจนง่วงแล้วก็จะขึ้นนอนป้าแกไม่มีลูกไม่มีผัวอยู่คนเดียวมานาน คนในละแวกนั้นนินทากันว่าป้าแป๊ดเก็บเงินไว้ในบ้านนานๆทีเกถึงจะไปฝากธนาคารครั้งหนึ่งผิดกับพ่อค้าแม่ขายทั่วไปที่มักจะไปธนาคารแทบทุกวันเงินกำลังจะหมดงานก็หาไม่ได้เมื่อเห็นช่องทางยุทธจึงตัดสินใจลงมือไฟบนห้องชั้นสองริมหน้าต่างของห้องป้าแป๊ดปิดลงยุทธมองจากอีกฝั่งหนึ่งของถนน เขาตั้งขาตั้งมอเตอร์ไซค์เตรียมยางรัดถังแก๊สไว้กับเบาะเขาคิดว่าหาอะไรพอที่จะแบกได้ยัดใส่กระเป๋าได้ก็จะหยิบช่วยไปให้หมดเมื่อเดินเข้าไปถึงประตูหลังยึดเลงถังแก๊สขนาด15กิโลก ร, รัมเอาไว้แล้วเดี๋ยวขากลับจะออกมาลากเอาไปด้วยก่อนจะจัดการหมุนลูกบิดประตูแล้วผลักเข้าไปเบ า, บา ห้องด้านหลังเป็นที่เก็บอาหารสดและเครื่องมือทำครัวแต่ก็มีกลิ่นประหลาดออกมายุทธเดาว่าอาจจะเป็นกลิ่นของเนื้อสัตว์ที่ติดตามผนังและที่สำคัญกลิ่นทูบยุทธกวาดตาไปเห็นทูบที่ผ้าแปะจุดเอาไว้ยุทธสบท2สองสามคำด่าป้าว่าประมาทจริงๆเลยเดี๋ยวไฟก็ไม่บ้านเออหรอกป้าเอ้ยนึกแล้วก็เดินไปดับทูบยุทธรู้มาว่า ลูกจ้างของป้าแกจะมาตอนตี5ส่วนป้าแกนั้นจะลงไปจ่ายตลาดตอนตี3เวลาตอนนี้ก็สองทุ่มเศษยุทธเห็นว่ายังมีเวลาอีกมากจึงไม่รีบร้อนแต่ถึงอย่างไรก็เดินไปที่ลิ้นชักโต๊ะที่เก็บเงินมีกุญแจล็อกไว้ทว่าตัวแค่นิดเดียวยุทธจัดการงัดทีเดียวก็หลุดในลิ้นชักมีเศษเงินและธนบัตรอยู่ไม่มากประมาณดูจากสายตาน่าจะราวๆ 2,000 บาท ยุดกวาดลงกระเป๋าเป้นจนหมดที่นี่คงไม่ใช่ที่เก็บเงินแน่ๆถ้าเดาไม่ผิดป้าแกคงเก็บไว้ใกล้ตัวแต่มันก็คงจะเสี่ยงเกินไปยุดกวาดตามองหาอะไรต่างๆที่สามารถจะแปรเป็นเงินได้แน่นอนแก๊สบิ๊กนิกสองลูกตรงนั้นผูกพ่วงเข้ากับข้างรถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะได้พวกมีดอีกคงจะขายได้กระทะตะหลิวพวกดูแพงๆคงแปลได้หลายเงินหรอก ยุดจัดการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หอมีดห่อตะหลิวท่านใดเขารู้สึกว่ากลิ่นที่ติดตามผนงังมันรบกวนการหายใจของเขาเป็นอย่างมากมันเหม็นสาบยังไงก็ไม่รู้เขาไม่อยากจะอยู่นานพลางเห็นตู้แช่ขนาดใหญ่จึงนึกถึงอาหารสดอาจจะพอให้ติดไม้ติดมือไปกินได้หลายวันอยู่หรอกถ้าเกิดมีนะยุดจึงไม่รีรอ จัดการลากถังแก๊สไปสองถังรอที่ประตูพร้อมกับข้าวของที่หยิบฉวยไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเดินตรงไปที่ตู้แช่แข็งเมื่อยุดเปิดประตูตู้แช่แข็งออกถึงกับพังะตาเบิกโพรงกว้างม่านตาขยายเต็มที่ด้วยความกลัวและตกใจสิ่งที่ยุดเห็นนั่นก็คือซากแขนและซากขาและเนื้อมนุษย์ถูกแช่แข็งเอาไว้ในตู้ยุดยืนขาสัน่นนี่มันหมายถึงอะไร เขาถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวสติสตังและมือไม้ไม่อยู่กับตัวความกลัวจู่โจมจับใจทันใดนั้นรู้สึกเหมือนมีใครมาสะกิด จ, จากข้างหลังแล้วโลกทั้งใบของยุทธก็หายวับยุทธนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นมีมีดอีโตะปักอยู่กลางหน้าผาประแป้ดบ่นว่าใครใช้ให้มึงมาดับทูปของกูแสไม่เข้าเรื่องก่อนจะจัดการร่างของยุทธ และเช็ดถูพื้นตอนที่เด็กเสิบมาถึงร้านตอนฟ้าสางนั้นปาแป๊ดแกก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแกเขียนอักษรตัวเท่าหม้อกแกงบนกระดาษ A4 นำไปติดที่หน้าร้านว่าวันนี้มีเนื้อหมูขอขอบคุณสำหรับการรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อติชมสามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ